เมื่อพวกสัตว์นรกได้ดื่มน้ำชดอิ่มแปรแล้วแล้วก็พาขึ้นมาจากสะมานอนแผ่ลาอยู่บนสนามหญ้ารอบๆสะนั้นครู่หนึ่งสัตว์นรกเหล่านั้นก็ร้องโอดโอยเอามือกลุ่มทองไว้รู้สึกว่าสัตว์นรกก็เริ่มร้องขึ้นทีละตนสองตนจนระ ง, งมไปทั่วพร้อมกับ ได้เกลือกลิ้งอยู่บนพื้นหญ้าอย่างน่าเวทนาอึดใจเดียวเท่านั้นไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงของมันก็ไหลพรั่งทลักออกมาจากทวารเบื้องต่ำบ้างก็ออกจากปากพร้อมด้วยเมล็ดแกลบที่กำลังลุกเป็นเปลวไฟเผาไหม้อย่างไม่หยุดหย่อนนั่นเอง ใชแล้วน้ำที่ดื่มเข้าไปนั้นก็กลับกลายเป็นแกลเพิงทำลายตับไตไส้พุงของมันอย่างไม่มีชิ้นดีสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้ต่างต้องเวียนดื่มน้ำแล้วก็ต้องถูกทรมานอย่างนี้เวียนตายเวียนเป็นอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ได้กระทำไว้ อ๋อพระคุณเจ้าครับที่นี่เรียกว่าทุสานรกพระคุณเจ้าโ อ, อแดนนรกแห่งนี้จะเป็นแดนรกที่เป็นแกลเพิงที่เหล่าสัตว์นรกเขาเห็นน้าแล้วก็คิดว่าเป็นน้ำก็จะรีบดื่มน้ำเข้าไปในท้องอย่างเต็มเปี่ยมและแล้วน้ำนั้นก็จะกลับกลายเป็นแกลเพิงทำลายลำไส้ตับไตไส้ปุงต่างๆของมัน อย่างที่ท่านได้เห็นแหละครับเออสัตว์พวกนี้เมื่อชาติก่อนนั้นชอบเคยที่จะเอายาพิษใส่ลงไปในอาหารหรือในน้ำเพื่อให้คนอื่นได้กินแล้วประมาณจนตายแบบนี้ละครับหรือบางทีพ่อค้าชอบคดโกงปลอมปนสินค้าไม่สื่อสัตว์ในวิชาชีพของตนเองนี่แหละพระคุณเจ้าเป็นอย่างนี้ละครับ ทั้งหน้าสังเวชจังเลยดูแล้วทั้งหน้าสงสารเออถ้าอาตมาช่วยเขาได้อาตมาก็อยากจะแผ่สมบุญให้เขาแมแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆแม้แต่อาตมาก็ไม่สามารถจะช่วยสัตว์นรกเหล่านี้ได้เลยถูกแล้วพระคุณเจ้าเออกรรมของใครก็กรรมของคนคนนั้น ก็ได้แต่เวทนาสงสารในเท่านั้นแหละเ อ, อ่อขอนิมนท่านพระคุณเจ้าไปชมนร ก, รกขุมอื่นต่อไปเถอะครับสักครู่ใหญ่เจ้านรกก็ได้พาพระเถระมาถึงแดนนรกอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ถัดไปอีกไม่ถึง29และดูเหมือนรกแห่งนี้จะแปลกกว่าสองสามแห่งที่ผ่านมาโดยที่มันไม่มีกระทะครอบหรือประตูเหล็กปิดกั้นเลยพอไปถึงก็เห็นเป็นลานกว้างปูด้วยหินอ่อนสีเขียวราปรียบเป็นเงาแวววับคล้ายกระจกดูแล้วก็เหมือนจะเป็นสโมสรที่ประชุมหรือฟลอต้นนรำประการนั้น พระคุณเจ้าขอรับอย่าเพิ่งคิดว่าที่เนี่เออจะเป็นลานกว้างเอาไว้เป็นที่สนุกสนานเออเป็นที่บันเทิงในการเล่นกีฬาในการเต้นรําประ ก, การใดเลยหากพระคุณเจ้าลองมองไปที่มุมสุดเบื้องหน้าก็จะเห็นมีลูกหินใหญ่มหืมมาเท่าภูเขาลูกหนึ่งลุกเป็นเปลวไฟตั้งทำงานอยู่ทางนู้นโน่นขอรับ เห็นไหมเหรครับอออาตมาเห็นแล้วเอ๊ยยังมีลูกกลิ้งภูเขาแบบนี้อีกสามลูกทางด้านนู้นด้วยนี่ใช่ครับภูเขาทั้งสี่ลูกที่ลุกเป็นเปลวไฟเหล่านี้แหละจะค่อยๆบดขยี้สัตว์นรกที่มาอยู่บนฟร้อลานกว้างแห่งนี้ และแล้วจบคคำพูดของพญายมราชสัตว์นรกทั้งหลายก็ได้ถูกเกณฑ์เข้ามาหนาลานกว้างภูเขาที่ลุกเป็นเปลวไฟก็กลิ้งเข้ามาทั้งสีด้านทับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นให้บทบี้แตกละเอียดบนปี้ไปตามๆกัน สับนรกต่างๆมากมายถูกก้อนหินลุกเป็นเปลวไฟบดขยี้ร่างกายมีหนาำซ้ำแล้วต่างก็ยังถูกผู้คุมเอาแสอลัยตีกระนำบนแผ่นหลังให้เลือดไหลาอาบซิบๆเสียงทรมานได้ร้องระ ง, งมไปทั่นรกแห่งนั้นเหล่าสัตว์รกทั้งหลายต่างวิ่งทยอยลม้มลุกคลุกคลาน แล้วก็กระเสือกระสนหาทางออกกันอลหม่านไปจนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้ถูกต้อนเข้ามายังแผ่นลานกว้างแห่งนี้แล้วก็ถูกก้อนหินเหล็กไฟบดขยี้จนได้ดั่นแหละ สัตว์นรกบางพวกเมื่อตายแล้วก็ได้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็วิ่งบนฟลอร์ลานกว้างแห่งนี้อยู่ร่ำไปถูกแทกเขี้ยนตีแผ่นหลังแล้วก็วิ่งวนอยู่นะลานกว้างแห่งนั้นอยู่ตลอดเปลวไฟแห่งก้อนหินนั้นกบฏขยี้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นไม่รู้จักจบสิน้นจนกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะหมดกรรมไป ทีนี้เรียกว่าปิสกะบพะตานรกพระคุณเจ้าก็เป็นนรกสำหรับท ร, รมานสัตว์ต่างๆที่ได้เคยทำกรรมมาก็คือพวกนี้เขาชอบท ร, รมานสัตว์ทั้งหลายอย่างสนุกมือนั่นแหละบางพวกเป็นข้าราชการมีอำนาจใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงชอบราบบังหลวง ทำร้ายเอาทรัพย์สินของประชาชนนำไปใช้ส่วนตัวผลกรรมของเขานั่นแหละจะต้องมาได้รับทุกประมา ณ, มาณในนรกขุมนี้เออพระคุณเจ้าเห็นแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับอาตอมาเห็นแล้วก็น่าสะลสังเวชก็เหมือนกับสัตว์ที่ถูกบทขี้เป็นๆลำไส้มันสมอง อะต่างๆนาน า, นาบีแบนไปหมดเลือดอาไปทั่วลานกว้างเหล่านั้นจนจากน้ำเลือดสีแดงกลับกลายเป็นน้ำเลือดสีแดงค้าดดำไปหมดโอ้หาตมารู้สึกเศร้าสลดจริงๆจะได้นำเรื่องแบบนี้นำมาบอกกล่าวในเมืองมนุษย์ให้ชนทั้งหลายนั้นเกรงกลัวต่อบาปกรรม และพยายมบาลก็ได้พาพระเถระเดินออกจากที่นั้นไปยังแดนนรกคุ้มอื่นต่อไปสักครู่หนึ่งก็มาถึงศาลาใหญ่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนเนินสูงและดูเหมือนจะมีบันไดทอดขึ้นไปข้างบนท้าพญายมราชก็ได้นิมนต์พระท่าน ขึ้นบันไดบนศาลาแห่งนั้นก็มีอาหารเรียงรายอยู่มากมายอาหารต่างๆเหล่านั้นส่งกลิ่นหอมฟุง้งแล้วก็มีความกว้างขวางและโอทงของมันซึ่งอาหารเหล่านี้จัดไว้สำหรับใครก็ไม่สามารถจะเดาให้ได้ถูกและชั่วขณะนั้นพระเถระ ก็ได้เห็นสัตว์นรกต่างๆซึ่งมีรูปร่างผอมโซจํานวนมากมายวิ่งกรูเข้ามาในศาลาแห่งนั้นโดยไม่ทราบว่ามาจากทิศทางใดสัตว์นรกต่างๆเหล่านี้ต่างก็เข้ามายื้อแย่งอาหารซึ่งกันและกันโดยปราศ จ, จากความแกรงอกแกลงใจทางใดทั้งสิ้น